เราก็เราก็ได้เดินทางมาเป็นวันที่สี่แล้วนะสาหรับผู้ที่เริ่มต้นเดินตั้งแต่ท่ามาไฟหวานมันนึกดูการเดินธรรมยต่างพวกเรานี่ก็และ ว, ว่ามีความรื่นรมพอใช้ได้นะมีปิกนิกกันเกือบทุกชั่วโมงเลยทุกวันนะบางทีก็ปิกนิกตรง สนามหญ้าบางทีก็ปิกนิกข้างถน น, น <c oughs> ผู้คนก็มีความสุขดีวันหนึ่งก็สามสี่ครั้ง <c oughs> ถึงแม้ว่าในช่วงระหว่างปิกนิกนะเราต้องเดิ น, น <c oughs> ไประยทางนับชั่วโมงต้องกลางแดดที่ร้อนะ แต่มาลองนึกดูนะยิ่งเดินลําบากมากเท่าไหร่เราจะมีความสุขมากขึ้นนะในระหว่างที่พักแล้วก็หยุดปิ๊กนิกกันยิ่งแดดร้อนมากเท่าไหร่นะผู้คนจะมีความพลืดหันมากนะระหว่างที่หยุดพักมันก็เหมือนกับความมืดนะกับ แสงสว่างแสงสว่างยิ่งจ้าเท่าไหร่เนี่ยเงาก็ยิ่งมืดดำมืดมากเท่านั้นยิ่งสีขาวนะขาวเรียกว่ากระจ่างเท่าไหร่นะให้ความมืดหรือสีดำเนี่ยมันก็ยิ่งโดดเด่นชัดเจน ความทุกข์เนี่ยมันก็ขับให้ความสุขเนี่ยมันเด่นชัดขึ้นแล้วคนที่มมีความทุกข์เลยชีวิตเขาคงจะดูจืดชื่อเหมือนกันแล้ว่าเขาจะมีความสุขทางกายก็ตามมันคงจะเรียบเกินไปจนไร้สีสันแต่พอมีความทุกข์เนี่ย ความสุขที่ประกอบขดคู่กันนะมันก็จะเด่นแล้วก็จะประทับในจิตใจได้แน่นแฟงกว่าในการอนุรรมญาตามก็มีนะทั้งสองส่วนนะมีทั้งส่วนที่เป็นสุขแล้วก็ทุกส่วนที่เครียด แล้วก็ผ่อนคลายและที่จริงระหว่างทางที่เราเดินเนี่ยมันก็มีสองส่วนนี้ให้เราสังเกตรหรือพิจารณาหรือรับรู้ได้ตลอดทางเหมือนกันอย่างเส้นทางวันนี้เนี่ยถ้าเราก้มหน้าลงต่ำเนี่ยก็เห็นทาง ลกหลังสีแดงยิ่จะเป็นตอนบ่ายขึ้นแล้วนี่มันจะแดงชัดมากดูแห้งแต่พอลองเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยจะเห็นท้องฟ้าสีครามมันัดกต่ากเลยมองต่ำ ก็อาจจะทำให้ใจรู้สึกแห้งห่อเหี่ยวหนักอึ้งแต่พอมองสูงเงยขึ้นไปเราจะรู้สึกถึงใจที่เบาความรู้สึกอาจจะคล้ายกับเมฆนะที่แต่งแต่ท้องฟ้ามันอยู่ที่ว่าเราจะมองอย่างไรนะ ถ้าเรามองไม่เป็นก็เห็นแต่สิ่งที่ทําให้จิตใจห่อเหี่ยวแต่ถ้าเรามองเป็นก็มีสิ่งที่ช่วยชุบชูจิตใจของเราให้ชื่นบานได้เหมือนกับที่ในแต่ละวันมันก็มีช่วงที่เจ็บปวดและเหนื่อยล้าร้อนแต่ก็มีช่วง ผ่อนคลายสบายเย็นทั้งกายและใจเมื่อกี้ก็พูดว่าเนี่ยไอ้ความทุกข์มันก็มีประโยชน์อย่างนึ้งนะั่นคือมาทำให้ความสุขมันเด่นชัดขึ้นทำให้ความสุขมันมีความหมายเหมือนกับเวลาเราหยุดพักเนี่ยการหยุดพักของเราแต่ครั้งนี้มัน มีความหมายมาทำให้เรา ร, รื่นรมพาลุทันเนี่ยเพราะว่าเราผ่านการเดินที่เหนื่อ ย, ยที่ร้อนที่เจ็บที่ปวดที่จริงถ้าจะไม่พูดถึงเรื่องความสุขเลยเนี่ยแม้กระทั่งความปวดร้อนเหนื่อยก็มีประโยชน์นะหลายคนเดินก็อาจจะบ่นไป เพราะว่าความปวดมันรบกวนรังควาทั้งกายและใจอาจจะบนกลดาแดดที่ทำให้ร้อนหรือว่าทางที่ไกลทำให้เหนื่อยหรือว่าก้อนหินที่มันทิ่นตําเท้าหรือน้ำหนักของสัมภารที่มันกดบา่าจนกระทั่งช้ำ แล้วก็จะไม่พอใจความรู้สึกนี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันรบกวนจิตใจไม่ให้มีความสงบเมื่อวานพูดไปแล้วนันเรื่องความสงบในสงบในสงบภายในใจไอ้ทุกขเวทนาความเจ็บความปวดความร้อนความเหนื่อยความหิวกระหายมันก็เป็นตัวรบกวนใจไม่ให้สงบได้ แต่ที่จริงมันก็มีประโยชน์คนเรานี่ถ้าไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักปวดไม่รู้จักร้อนไม่รู้จักเหนื่อยหรือเมื่อยล้าเนี่ยอันนี้มีปัญหานะก็เรียกว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตเลยก็ได้ในโลกนี้มันมีคนที่ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดหรือว่าร้อนเย็นเลยนะมีอยู่ หลายร้อยคนในโลกนี้นะอาจจะถ้าสำรวจจริงๆอาจเป็นพันคน <c oughs> คือไม่เจ็บเลยนะเอาเข็มทิ่มนะหรือว่าเดินบนกรวดเดินบนน้ำแลมนี่ไม่รู้สึกเลยเจอน้ำร้อนลั่วก็เฉยหลายคนก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันก็ดีเหมือนกันนะหลายคนคิดนะ ถ้าเราไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยชีวิตคงจะมีความสุขมากกว่า น, นี้แต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าชีวิตอาจจะสั้นลงก็ได้ก็มีการไปติดตามสำรวจเด็กกลุ่มหนึ่งในปากีสถานนะประมาณสิบคนได้ที่มีอาการแบบนี้อันนี้มันเป็นมันเกิดจากยีนบางอย่างที่มันผิดปกตินะ ทำให้ประสาทการรับรู้เรื่องความเจ็บปวดมันมันไม่ทำงานมันไม่ได้มีเฉพาะนในปากีสถานมีเยอะในยุโรปก็มีแต่ว่าที่เขาไปเจอไปสำรวจไปติดตามีกลุ่มเด็กในปากีสถานนี่น่าสนใจเขาเพบว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีเนื้อตัวเต็มไปด้วยแผลบางทีแผลใหญ่ๆหญ่ด้วยนะ แผลน้ำร้อนร่วกแผลที่เกิดจากการติดเชื้อคือมันมีแผลแล้วมันก็ติดเชื้อมันก็ลามแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยลิ้นจะ ก, กุดบางคนเนี่ยลิ้นกุดถึงหนึ่งในสามเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยเวลาเวลากัดลิ้นเนี่ยธรรมชาติคนเราเจะกัดลิ้นอยู่นะเวลากินข้าว อดกัดลิ้นไม่ได้เนี่ยเพราะเด็กๆคนปกติเนี่ยพอลิ้นมันกระทบฟันหรือฟันกระทบลิ้นเนี่ยนิดหน่อยเท่านั้นแหละความเจ็บมันมันมากระตุกเลยนะให้ให้ยัง้งนะไม่กัดฟันลงไปหนักๆในเด็กกลุ่มนี้นี่ไม่มีอย่างนั้นนะกัดเข้าไปเต็มที่เลยไม่เจ็บก็ดูเหมือนดีนะแต่ว่าพอมีแผลแล้วเนี่ย พอมีแพ้แล้วก็ยังไม่ไม่ยั้งนะพอมีแพ้แล้วแทนที่จะแทนที่จะระมัดระวังความเจ็บปวดมาตือนให้ระมัดระวังแต่พอไม่เจ็บปวดเนี่ยมันก็กัดตรงนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกกัดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนริมมันกุดไปเลยแล้วไม่ได้กุดครั้งเดียวก็กุดไปเรื่อยๆวันจะพูดก็ไม่ค่อยชัด แต่นั่นก็ยังเบาๆนะเพราะว่ามันยังมีปัญหาตามมาอีกหลายอย่างโยงคนนี่ขี่มอเตอร์ไซค์แขงนี่ก็ไปหน้ากับควันท่อไอเสียนะมันร้อนนะคนธรรมดานี่เจอแค่สัมผัสเนี่ยท่อไอเสีย น, นก็สะดุ้งแล้วไอเด็กกูนี่ไม่สะดุ้งนะก็ก็ยังเอาขาเอาแค้งนี่หน้ากับท่อไอเสียนั่นแหละจนทั่ง มันไหมเลยนะเจ้าตัวมันรู้เนี่ยตอนที่ได้กลิ่นไหมนะถ้าไม่ไหมนีนก็ไม่รู้นะเพราะไม่เจ็บนะแล้วพอมีแผลแล้วนะก็ถ้าไม่เยียวยารักษานะก็มีปัญหาบางทีหนูมากัดแผลเนี่ยไม่รู้สึกให้มันกัดไปตอนเวลานอนนะเคยโดนแม่หนูกัดเนี่ยอาตมาอยู่วัดนี่ เคยนะหนูมักกัดใบหูเนี่ยกลางคืนสะดุ้งเลยถ้าไม่เจ็บนะมันคงกัดเข้าไปเต็มที่แล้วกัดแล้วกัดอีกเนะี่ยแล้วพอมีแผลนะมันก็ยิ่งกัดอีกนะคราวนี้ไม่ใช่หนูอาจจะเป็นตัวอื่นมากัดเพราะว่ามันพวกมแมลงพวกแรงต่ามก็ชอบแผลนะแต่ความเจ็บปวดมันทําให้เราเนี่ยสะดุ้งหรือว่ารู้สึกได้ว่าภัยมาเราก็ปัดเวลามือเรามีแผลเนี่ยเราก็พยายามที่จะระมัดระวังไม่ใช้มือส่วนนั้น ถ้าเท้ามีแผลก็ไม่ใช้เท้าส่วนนั้นแต่พอไม่เจ็บเนี่ยก็เลยใช้ตะบีตะบันใะนยางแผลมก็เลยลามอันั้นนี้เนี่ยก็ทํานายได้ว่าอนาคตจนะอยู่ไม่ยืนนชีวิตไม่ไม่ยืนยาว้ความเจ็บปวดมันมีประโยชน์นะมันช่วยทําให้เราเนี่ยเกิดความระแวดระวังแล้วก็ ก็ตุ้นเตือนให้เราเนี่ยห่างกกยจากอันตรายนะแล้าต้องขอบคุณธรรมชาติที่ให้ความเจ็บปวดกับเรามาไม่ใช่แค่ความปวดกายนะอาจจะรวมถึงความทุกข์ใจด้วยนะความทุกข์ใจก็หรือแม้กระทั่งความเจ็บปวดความเศร้าใจก็มีประโยชน์ เนะมือ่อเร็วๆนี้ก็เขามีฉายหนังการ์ตูนนะเรื่อง Inside Out อันนี้ก็เป็นการ์ตูนที่น่าสนใจเพราะมันเอาเอาเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนี่มาทําเป็นการ์ตูนมีอารมณ์มีตัวการ์ตูนอยู่ห้าตัวตัวละครอยู่ห้าตัวแทนอารมณ์ห้าชนิดนะคือความเศร้าความโกรธความเกลียด หรือความรังเกียจนะแล้วก็ความดีใจลันลาเนี่ยนะ<_><_><_><_>ก็ดูเหมือนใครๆก็อยากจะมีความรู้สึกแบบนี้ลันลานะแต่ว่าการะตุ้นเขาก็ทําได้ดีนะที่ทําให้เห็นว่าคนเราเนี่ยถ้ามันมีแต่อารมณ์ลันลานี่มันไม่ดีหรอกก็พยายามชี้ว่าอารมณ์อื่นเนี่ยเช่นความเกลียดความกลัควความรังเกียจก็มีประโยชน์ ช่วยทำให้ห่างไกลาจากอันตรายช่วยช่วยทำให้เราระมัดระวังไม่ผีผามแต่เขาก็ทิ้งประเด็นไว้ว่าแล้วความเศร้ามีประโยชน์ตรงไหนแต่ตอนท้ายเขาก็เปิดก็เผยมาว่าในความเศร้าก็มีประโยชน์อย่างเช่นเด็กก็เห็นเด็กที่เป็นเจ้าของอารมณ์ต่เรียเจ้าของอารมณ์ก็ไม่ได้นะหมายถึงว่าเด็กที่มัน ที่ถูกอารมณ์ค้อนไปบงการชีวิตจิตใจเนี่ยเขาก็จะพบว่าความเศร้าก็มีประโยชน์เึ็นเวลาเขาเศร้าเสียใจก็มีเพื่อนมาปลอบใจถ้าไม่เศร้าก็ไม่มีเพื่อนมาปลอบใจเขาก็เห็นแบบเด็กๆกันนะว่าเด็กวัยสิบสองนะให้เศร้าก็มีประโยชน์นะเสียใจก็มีประโยชน์นะมันทําให้เพื่อนเนี่ยมาปลอบใจมาให้กําลังใจเรา ทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวแต่ที่จริงถ้าเราดูพิจารณาต่อไปความเศร้าก็มันก็มีประโยชน์นะที่ทําให้เราเห็นใจรู้จักเห็นใจคนอื่นถ้าเราไม่รู้จักเศร้าเลยไม่รู้จักเสียใจเลยเราก็ไม่สามารถจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่เขาสูญเสียพัดพร่าความรู้สึกเศร้าของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงให้เราเ่ยไป ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคนที่เขาประสบความสูญเสียอย่างช่วงที่เกิดเหตุการณ์ฆ่าสังหารหมูที่ปารีสนะเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนมันก็ทำให้คนในฝรั่งเศสและที่จรินคนทั้งยุโรปเลยหรือคนทั้งโลกก็ว่าได้เนี่ยน้อมใจประสานใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ลืมความแตกต่างทางการเมืองทางสีผิวหรือแม้กรทั่งทางศาสนามาร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันคนเหล่านี้ก็สามารถจะผนึกนั่นเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะมีความเศร้าเสียใจเป็นตัวยึดโยงถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราเกิดสูญเสียคนรักสูญเสียลูกสูญเสียพ่อแม่เนี่ย ก็เชื่อว่าเพื่อนๆไม่ว่าใกล้หรือไกลก็จะรู้สึกนะน้มเข้าหาประสานแน่นเป็นอันหนึ่งเดียวกับเขาฉะนั้นถ้าเรพิจารณาในความสิ่งที่เราความทุกข์เนี่ยมันมีประโยชนนะ์มันไม่ได้มีประโยชน์ในทางในทางกายภาพที่ทำให้เราห่างกกลจากอันตรายที่คุกคามชีวิต แต่ว่ามันยังมีประโยชน์ในทางธรรมด้วยนะการความทุกข์เนี่ยมันก็สามารถจะทำให้คนเราเห็นธรรมได้อย่างในสมัยพุทธกาลเนีก็มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็เป็นคนที่ฉลาดชื่อนางกีสาโคตมีเจอนเป็นคนฉลาดจนกระทั่งได้มาแต่งงานเป็นสะพ้ายครอบครัวของเศรษฐี แล้วก็มีลูกที่น่ารักชีวิตก็น่าจะไปได้ดีดีแต ก, ก็วันหนึง่งลูกก็ตายทัย้งเด็กอยู่เลยสามขวบสามสองขวบนี่แหละเธอทำใจไม่ได้ไม่สามารถจะยอมรับได้ว่าลูกตายแล้วเธอก็อุ้มศพลูกแล้วก็ พาไปให้หาใครต่อใครให้มาช่วยช่วยชุบชีวิตหรือว่าช่วยทำให้ลูกเธอฟื้นขึ้นมาใครต่อใครเนียในเมืองเชตะวันก็บอกว่าลูกเธอตายแล้วแต่เธอทำใจไม่ได้ยอมรับไม่ได้ปฏิเสธความจริงก็อุ้มลูกไปให้ใครต่อใครเท่าที่จะนึกออก เพื่อช่วยให้รูปเธอฟื้นจริงๆถามว่าเธอไม่เคยเจอคนตายเหรอเธอไม่เคยเจอเด็กที่ตายแตอเธอก็เคยเจอมาเยอะแล้วคนสมัยก่อนนี่เวลาตายก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ปกปิดอะไรตายกันในหมู่บ้านที่จริงตายตอนเด็กๆก็เยอะนะโรคระบาดตายระหว่างข้อนี่ก็เยอะคนสมัยก่อนนี่เด็กอายุต่ากว่าห้าขวมนี่ ตายกันหลายเปอร์เซ็นต์นะ 10-20% เนลยทีเดียวเธอก็เคยเห็นเด็กตายแต่ว่าพอลูกของตัวองตายเธอทำใจไม่ได้ไม่ยอมรับไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้ไปให้ใครต่อใครช่วยปลุกให้ฟื้นสุดท้ายก็มีคนแนะนำให้ไปหาพระพุทธเจ้าเธอก็ดีใจทั้งปีทั้งชาติไม่เคยไปกราบหรือฟ้าพระพุทธเจ้าเลย ก็ไปหาที่สาวัตถีพระเจ้าเนี่เห็นนางกิสาภกติมีหอบลูกหอบสมลูกมาพระองค์ก็รู้ว่าคนอย่างนางเนี่ยสอนทำมาไปใจร่วมไม่รับ <c oughs> พระองค์นี่ไม่ใช่ว่าสอนคนหรือว่าแสดงทำให้คนทุกคนนะบางคนพระองค์ก็รู้ว่าไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่ว่าจะสอนได้เลยนะเออโยมความตายเป็นธรรมดานะทุกชีวิตเกิดก็รุ่นแล้วต้องตายอันนี้จำทุกคังอันาตานะยมปล่อยวางนะพระเจ้ารู้ว่าพระองค์ก็ไม่สามารถจะทําให้เธอเข้าใจยอมรับความจริงอันนี้ได้ก็เลยอออกุบายนะบอกว่าพระองค์สามารถจะช่วยลูกของเธอได้ เธอไปหาไม่ปผักกาศจากบ้านที่ไม่มีคนตายนางกิสาก็ตมีก็ดีใจผู้มศบลูกไปเข้าไปในเชตวันไปถามว่าบ้านไหนนี้ไม่ผักกาดไหมทุกบ้านก็ตอบว่ามีแต่ปถามว่านั่นบ้านที่มีคนตายไหมทุกบ้านก็ตอบว่ามีทั้งนั้นเพราะสมัยก่อนก็ตายกันที่บ้านหรือว่า คือไม่ตายที่บ้านก็ต้องเจอความสูญเสียเธอไปถามบ้านนี้บ้านนี้ก็มีคนตายบ้านนั้นก็มีคนตายบ้านโน้นก็มีคนตายทีเราน้อยเธอเราน้อยเธอก็เริ่มยอมรับว่าลูกของเธอตายแล้วได้ตระหนักว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาของทุกชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาของทุกครอบครัวอันนี้ได้เห็น ได้รู้ด้วยตนเองบางทีคนเราเนี่ยพอได้รับรับรู้ถึงความสูญเสียของคนอื่นเราก็จะเริ่มยอมรับความสูญเสียของตัวเราเองได้ทำใจได้เพราะผมคล้ายๆกับคนที่หงุดหงิดเวลารถติดในกรุงเทพนะแต่พอเปิดจอสอร้อยแล้วพบว่าทุกคนก็รถติดเหมือนกัน ก็ทําใจได้นะหายดหงินเพราะว่ามีเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกันนี่เธอพอพอเธอยอมรับได้เธอก็อุ้มลูกไปที่สุสานแล้วก็เผาเสร็จแล้วก็มาฟ้ า, าุทธเจ้าคราวนี้แหละผู้เจ้าก็แสดงธรรมสั้นๆ น, นะว่าผู้ที่ติดยึดนะในลูกในคนรักในทรัพย์สมบัติ มรดุตอยย่ยอมพัดพาคนเหล่านั้นเช่นเดียวกับน้ำป่าที่พัดพาผู้ที่นอนหลับไหลไปฉะ น, นั้นเพียงเท่านี้เนี่ยนางกิสากรตมีก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันทันทีคือถ้าเธอไม่ไม่เจอความสูญเสียนะเธอก็จะไม่เข้าใจพุทธาสิสั้นๆนี้แต่พอได้เจอความสูญเสียที่ตัวเองเนี่ย พอได้ฟังคาถาสั้นๆทันเนี่ยก็รู้ซึ้งแก่ใจเลย <c oughs> รู้ซึ้งถึงใจเลยนะว่าจริงเลยนะไอ้ความทุกข์เนี่ยความเศร้าเสียใจมันเกิดจากความยึดติดถือมัน่นในคนในทรัพย์และเมื่อสูญเสียพัดพลากก็ย่อมเกิดความทุกข์ขึ้นมา จริงๆความสูญเสียความพัาดพลาดมันไม่ทำให้ทุกข์นะถ้าใจไม่ปิยึดติดของบางอย่างที่เราไม่ค่อยเห็นคุณค่าหรือเราไม่ได้ยึดติดมันมากเนี่ยมันหายไปใจเราไม่ทุกข์หรือถ้าเป็นของคนอื่นนะลูกเขาจะตายพ่อเขาจะตายหรือว่าเกิดแผ่นดินไหว เกิดการก่อนก า, การร้ายฆ่ากันตายที่ซีเรียบ้างที่ปากีสถานบ้างอับกานิสถานบ้างที่จีนบ้างเราก็เฉยๆเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเป็นเราเป็นของเราคราวนี้นางกิษาพูดิยวิจารณา์นา้ว่าเนี่ย ้ความยึดติดถือมั่นเนี่ยไม่ว่าคนหรือทรัพย์เนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์เหมือนกับน้าปลาที่บัดพาผู้ที่หลับไหลนางเห็นโทษ ค, ความยึดติดถือมั่นก็ติดจใจก็รื่นพ้นเลยนะเป็นพระโสดาบันอันนี้น่าคิดนะถ้าเกิดว่านางไม่ไม่เสียลูกเนี่ยก็คงจะไม่บรรลุธรรมนะแต่พอนางเสียลูกเนี่ยจึงบรรลุธรรม ทั้เนี้มันหรือความเจ็ความสูญเสียพลาดพราดเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะมันก็สามารถจะกระตุ้นหรือกระตุกใจให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ไม่ใช่เฉพาะความสูญเสียพัดพราดเนี่ยบางทีความเจ็บความปวดก็เหมือนกันนะอย่างพักร่วมหนึ่งนี่ชื่อพัตติสั์เป็นโรคที่สังคมรังเกยียจเป็นโรคที่มีแผลผ้พองเต็มตัวสงกลิ่นเหม็น จกนกระทั่งเพื่อนพระก็หนีไปพยาบาลไม่ไหวพระพุทธเจ้าเมื่อทราบก็เสด็จไปแล้วก็ไปช่วยเช็ดเนื้อเช็ดตัวทําความสะอาดร่างกายปฏิสารในนอนจมกลองกองอุจจรปัสสวะเลยก็ว่าได้นะพระองค์ก็ช่วยจัดการทําความสะอาดเนื้อตัวเอาจีวรไปซับไปต้มนะไปผึ่งไปตาก ติษาก็เริ่มรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวแต่ว่าทุกภเวทนาก็แรงกล้าขึ้นเรื่อยๆตอนที่กยายจะตายเนี่ยพุทธเจ้าก็แสดงธรรมสั้นๆนะซึ่งภายหลังก็เราก็รู้จักในชื่อว่าคาถาบางสุกุลเป็นที่เริ่มต้นด้วยจีรังวัตยังกายโยเนี่ยร่างกายนี้ไม่จีรังมเมื่อบิญญาตออกจากร่างแล้วถูกคนเขาทิ้งแล้วเนี่ย ก็จะนอนทับซึ่งแผ่นดินเหมือนท่อนไม้หาประโยชน์ไม่ได้สั้นๆรติซาเนี่ยซึ่งเจอความทุกข์มาด้วยตัวเองแล้วทุกข์เเวชนาก็บีบคั้นแ่งกรามมาคือเป็พิจารณาตามพิจารณาที่ตามที่บุญชาได้ไ ด, ได้ได้กล่าวเป็นคาถาก็เห็นเลยนะว่าสังขารนีงเป็นทุกข์มากปัญญาก็เกิดเลยดนะ้ จิก็หลุดพ้นเป็นพระรหันต์เรียกว่าสิ้นกิเลสขณะที่สิ้นลมหรือพร้อมๆกับที่สิ้นลมคือถ้าไม่เจ็บป่วยนะไม่เจ็บป่วยไม่มีทุกขเวทนาบีคั้ยเนี่ยก็ยากนะที่จะเห็นโทษของทุกยะเห็นโทษของสังขาร น, นะยากที่จะเห็นโทษของสังขารร่างกาย ต้องจิตใจด้วยนะไอ้ความทุกข์เนี่ยมันจะว่ามันสอนธรรมให้เราก็ได้แต่ว่าบางทีเรามองไม่เห็นอย่างพระติสานี่ก็ก็มองไม่ชัด น, นะจนพระพุทธเจ้านี่มาแสดงธรรมพอแสดงธรรมเนี่ยก็เห็นด้วยใจของตนเองจริงว่าสังขารเป็นทุกข์มากนะมันไม่น่ายึดถือเลยแล้วก็ยึดถือไม่ได้ด้วย จิตก็ปล่อยนะปัญญาก็เกิดจิตก็หลุดพ้นเป็นพระอาหารหันต์แล้วความเจ็บป่วยก็มีประโยชน์นะมีประโยชน์ชนิดที่ว่าทําให้พ้นทุกข์ได้ด้วย mm hmm. เช่นเดียวความสูญเสียพัดพร่าคนรักอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในทางธรรมนะที่อามีตัวอย่างมากมายนะแต่ว่าเอามาเล่าพอเป็นสังเกตเพื่อที่เราจะได้รู้ว่า ให้ความทุกข์ที่เกิดกับเราไม่ว่าในชีวิตหรือว่าในระหว่างเดินธรรมญาติปราณเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักมองนะหรือรู้จักใช้มันให้เป็นจนะใช้มันเพื่อการเจริญสติก็ได้ฝึกดูเวทนาหรือถ้าดูเวทนาไม่ได้ก็ฝึกดูใจว่าใจมันเป็นอย่างไรเวลาเกิด ความเจ็บปวดความปวดเมื่อยความร้อนความหิวใจมันเป็นรู้สึกเป็นรบเกิดความหงุดหงิดเกิดโทสะขึ้นมานี่แหละเป็นเครื่องฝึกจิตให้รู้จักดูจิตนะอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยนะดูกายรู้กายรู้จิตนะ จิตตานุปสัสสีก็คือรู้เท่าทันความเป็นไปของใจไม่ว่าจะบวกหรือลบยินดีหรือยินร้ายเมื่อรู้แล้วเนี่ยมันก็จะวางนะไม่มีความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจในโลกนะตะพิชชาโทมนัตเวทนาก็เหมือนกันนั้นจะเราถ้าเรา ถ้าเราฉลาดนะเราจะเวลาเราเจ็บเวลาเราปวดเวลาเราสูญเสียเวลาเราเกิดความพัดพรากเนี่ยเราไม่จะไม่ปล่อยมันไปผ่านเลยไปเปล่าเปล่าหรือเราจะไม่โม่แต่กัดกรุ่มหรือของมันแล้เมื่อเรามีสติเราได้คิดมันก็จะสอนทำให้กับเราได้ เวลาทุกนี่อย่าทุกเปล่าเปล่าเวลาสูญเสียก็อย่าสูญเสียเปล่าเปล่าฟรีๆรีใช้มันให้เป็นหาประโยชน์จากมันให้ได้และจะใช้เวลาอยู่บ้างก็ตามมีเด็กสาวคนหนึ่งนะตอนที่เป็นเป็นนักศึกษาปีสามเนี่ยเธอก็เป็นดาวเหมาเาลัยเพราะเธอสวยมาก เธอก็เป็นที่หมายปองของผู้ชายหลายคนแล้วก็มีช่วงหนึ่งเธอก็รู้จักผู้ชายคนหนึ่ง่านโซเชียลมีเดียสมัยนั้นยังม่มีเฟซบุ๊กนะประมาณปี52เ facebook ยังไม่คยดังเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมทั้งกว้างขวางผู้ชายคนนั้นก็ติดต่อกับเธอทางอินเตอร์เนต็ตก็เกิดชอบแล้วก็หลงรัก แล้วก็นัดเจอกันแต่ตัวเธอเนี่ยก็ไม่ได้มีใจให้กับผู้ชายคนนั้นพอผู้ชายคนนั้นรู้เนี่ยก็รู้สึกผิดหวังแล้วขับแค้นไม่ขับแค้นแต่โกรธแค้นเลยถึงขัา้นเอา น, น้ำากรดภาษดาหน้าเธอหน้าตาเสียโฉมตาบอดในข้างหนึ่งคนที่เคยภูมิใจในรูปร่างหน้าตาสวดทรงของตนเนี่ย ถ้าเจอแบบนี้เนี่ยมันไม่มีกําลังใจที่จะอยู่นะตายดีกว่าเพราะรู้สึกว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วเพราะเธอคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าคิดถึงแม่นึกถึงแม่ก็ทําให้เธอไม่คิดสั้นแต่ว่าก็ขอขอแม่ว่าย้ายบ้านไปที่อื่นดีกว่าไม่อยากให้คนที่ เคยเห็นเธอตอนสวยสาวเนี่ยได้มาเห็นหน้าของเธอในลักษณะที่ไม่น่าดูรู้สึกอับอายเสียเซลล์แล้วก็เลยย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นแต่ผ่านไปนะสองสมปีนะเธอก็ทำใจได้เวลา นั่งเวลาไปทา ง, งานเธอก็นั่งรถไฟนั่งรถไฟฟ้าก็ไม่ได้ติดบังหน้าตามตัวเลยไปทำงานที่ธน า, าคารแห่งหนึ่งเตรนพนัก ง, งาน call นเตอร์มีคนเห็นเธอจำเธอได้เพราะเธอเคยออกรายการโทรทัศน์ก็ไปทักว่าเธอคือเค้กใช่ไหมเธอก็ตอบด้วยความยินดียิ้มถูกต้องแล้วค่ะ ล, ล้อกับร้อปัญญานีหล่ะคุณนะถูกต้องแล้วครับนะไม่รู้สึกอับอายเลยที่คนเห็นหน้าเธอและจาเธอได้ล้วมีคนถามเธอว่าแทนผู้ชายคนนั้นไหมโกรธผู้ชายคนนั้นไหมบอกเธอบอกไม่โกรธเลยนะแล่เธอพูดต่อไปที่จริงเนี่ยขอบอยากจะขอบคุณเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยเหตุการณ์ที่เธอถูกน้ำกรดสาด อยากจะขอบคุณนะเพราะว่ามันทำให้เธอเนี่ยหนึ่งเนี่ยทำให้เธอได้อยู่กับแม่มากขึ้นอยู่กับแม่ได้ได้นานขึ้นอยู่กับแม่ได้มากขึ้นเพราะถ้าเธอสวยสะพรังเนี่ยเธอคงจะไม่อยู่ไม่ติดบ้านเท่าไหร่แต่ข้อที่สอนนี่สำคัญกว่าถ้อบอกว่ามันทำให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ก่อนเธอทำอะไรเนี่ยก็ยึดติดถือม่นมาก แล้วก็มีความทุกข์กับสิ่งนั้นแต่พอเสียจชมแล้วนี่มันทำให้เธอได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางรูปร่างหน้าตางพราะเธอก็ได้คิดว่าเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเปลี่ยนสภาพเสื่อมสภาพไปเธอคงหมายถึงว่าพอแก่แล้วมันก็คงไม่สวยนะโอเคแต่ ว, ว่ามันเกิดขึ้นกับเธอเร็วไปหน่อย แต่มันก็ทําให้เธอได้เรียนรู้การปล่อยวางได้เร็วขึ้นด้วยนะคือหมายความว่าถ้าไม่เจอไเรื่องนี้ไม่เจอเธอไม่ไม่เกิดขึ้นกับเธอเนีเธอคงยังมีชิติดอยู่มันฝึกให้เธอได้เห็นถึงความไม่เที่ยงตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายแล้วก็ช่วยทําให้เธอได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางอันนี้ก็เรียกว่าเธอเนี่ยรู้จักนะ หาประโยชน์นะจากเขตร้ายทาให้เธอเนี่ยนะได้เห็นธรรมนั้นกรณีแบบนี้ก็มันก็เชื่อเลยนะว่าทุกเนี่ยเนี่ยมันสามารถช่วยทําให้เราเห็นธรรมได้หรือผู้อย่างนึงก็คือว่าเจอทุกนเนี่ยมันทําให้เห็นธรรมหรือว่าจะพูดอีกอย่างก็ได้ว่า เจอฉลาดนะเราต้องฉลาดในการเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมอย่าให้ทุกข์เนี่ยมันพาเราให้จมปรักเหมือนกับตกนรกทุกข์นี่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันมันก็ทำให้เรามันก็ตกนรกทั้งเป็นแต่ถ้าเราฉลาด เราก็สามารถจะเปลี่ยนมันให้เป็นธรรมะได้อันนี้เรียกว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีคนฉลาดองรู้จักเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนทุกให้เป็นธรรมแล้วมือเราทุกคนสามารถทาได้เราเดินไปเนี่ยธรรมาตาติใจระหว่างทางเราสังเกตแม้ต้นไม้ยต้นใหญ่ใหญ่เนี่ยมันรับแดดเข้าไปเต็มที่เลย แต่มันเปลี่ยนแดดให้กลายเป็นร่มเงาที่เย็นเราทิ้งขยะอะไรลงไปโคนต้นไม้ทิ้งหมาเน่าลงไปใต้ต้นไม้เอาขยะเอาขี้อุจจาะเทลงไปต้นไม้ก็เปลี่ยนให้กลายเป็นดอกไม้หอมเปลี่ยนเป็นผลไม้ที่หวาน ผลไม้าที่เรากินนะไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหนนี่จริงๆมันอาจจะมาจากอุจจาระก็ได้นะอุจจาระนะเพราะว่าสารธาตุที่ประกอบเป็นอุจจาระก็เป็นธาตุตัวเดียวกันกับที่ประกอบเป็นผลไม้ที่เรากินนั่นแหละนะ ต้นไม้มันเปลี่ยนนะเปลี่ยนสิ่งปฏิกูลให้กลายเป็นอาหารที่อร่อยใจเราก็ไม่ได้ด้อยประกันนะใจเราก็สามารถเปลี่ยนทุกให้เป็นธรรมได้นะเรื่องที่หลวงพ่อท่านบอกนะเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะในการที่เรามาเดินธรรมยาตานี่ก็เป็นการบ้านนะที่ฝึกให้ช่วยฝึกใจเราว่าเราจะ ถ้วยเป็นธรรมหรือเปลี่ยนถ้วยเป็นสุนได้หรือเปล่านะทันตินัน ท, นท์ท่านบอกว่าทา่ทานเขียนคติธรรมสั้นๆ น, นะบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าแปลภาษาไทยก็คือว่าไม่มีโครนก็ไม่มีดอกบัวโนมัตโนโลตัสมีโครนจึงมีดอกบัวนะดอกบัวในที่นี้ไม่ใช่ดอกบัวธรรมดานะสัญลักษณ์ของดอกบัว ดบัวเป็นสัญลักษณของพุท ธ, ธะความรู้แจ้งความรู้แจ้งเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความทุกข์นะเป็นเป็นปัจจัยไม่มีทุกข์ก็ไม่มีพุท ธ, ธะนะเหมื่อกาทิพุทธเจ้าเนี่ยแต่ว่าเนี่ยถ้ามนุษย์ลมนุษนี่ไม่มีความทุกข์เนี่ยพุทธเจ้าก็ไม่อุบัติมาขึ้นมาในโลกพุทธเจ้าไม่สามารถจะอุบัติ หรือยากที่จะอุบัติขึ้นมาบนในสวรรค์ได้เพราะสวรรค์นี่มันมีแต่สุขไปหมดเลยมันแทบไม่ได้จับทุกข์เลยแต่ใ น, นโลกนู้นนี่นะมันเจอไมด้ด้ทุกข์นะซึ่งเป็นบุยอย่างดีสาหรับการเกิดพุทธะขึ้นมาเ<อ>พราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอทุกข์นี่เราอย่ามวัวแต่บนนะเรามองสอด ส, สายพิจารณาดูว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับเราได้บ้าง อาจจะไม่มองไม่เห็นในเร็ววันนะแต่ถ้าเราพิจารณาอยู่เสมอเราก็จะพบอย่างคนที่ชื่อเคงเนี่ยเขาก็ใช้เวลากว่าเขาจะพบว่าโอ้มันมีประโยชน์นะการที่ถูกน้ำสดน้ำกรดสา์หน้านี่นะทำให้เธอไม่โกรธผู้ชายที่ทำอย่างนั้นกับเธอเอ่ะลังค่ำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะกราบพระ